หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th Printing and packaging อย่างดีไซเนอร์จูเตลซิน19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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการฟู้ดเดลิเวอรี่ผู้เดำเนินรายการนัทชรัตแพรกุลและนัทพลัฒน์ดีปุฒครูคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กุลกนิททองเงาสร้างสรรและผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 สามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้ามิลลิกรัมนะครับอยู่กับผมนัทพลดีอุดและอาจารย์นัชรัตน์เพ็กรุณอาจารย์จากสาขาอาหารผู้ชนะการคณะเทคโนโลยีข้าวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับกับเรื่องราวข่าวสารคิดลับต่างๆเกี่ยวกับอาหารผู้ชนะการกลลมิตรคิดลับต่างๆนะครับที่เราจะนำมาบอกมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการฟู้ดเดลิเวอรี่แห่งนี้นะครับ คุณฟังครับเช่นเดิมทุกสัปดาห์ครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระต่างๆในรายการนะครับในตอนต้นของรายการแบบนี้ผมก็มีกลเม็ดเคล็ดลับมาฝากคุณฟังนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารของคนไทยนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการปรับ ผู้ชนะการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดนะครับองค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชียหรือว่า Food Industry Asia หรือว่า FIA นะครับและบริษัทวิจัยตลาด IGD ระบุนะครับว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศเราร้อยละเก้าสิบสนใจปรับมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบกล่าวนะครับว่าพึงพอใจที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนสูตรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารหากยังคง รักษารสชาติและความอร่อยไว้ได้นะครับโดวยรายงานการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในไทยจัดทำขึ้นครั้งแรกโดวย FIAE หรือว่าองค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย ร่วมกับบริษัทวิจัยตลาดไอจีดีนะครับดโดยได้ทำการสำรวจผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อทำความเข้าใจในความพยายามของผู้ประกอบการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการนะครับคุณผู้ฟังอีกทั้งยังต้องการทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและการรับข้อมูลนะฮะการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อกัน ปรับส่วนประกอบของอาหารเพื่อให้ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นนะครับโดยประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับปัญหาทุพโภาผชนาการสองลักษณะในเวลาเดียวกันนั่นก็คือในขณะที่คนไทยกลุ่มหนึ่งได้รับอาหารมากเกินไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังได้รับสารอาหารน้อยเกินไปเช่นเดียวกันนะครับการได้รับสารอาหารมากเกินไปทำให้เกิดโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจนะครับซึ่งปัจจุบันสองโลกนี้เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของคนไทยเลยนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลและผูด้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจึงพยายามแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยในเชิงรุกนะครับตั้งแต่การติดฉลพธธพากผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงข้อมูลด้านสารอาหารอย่างชัดเจน ไปจนถึงการจัดทำวางแผนในเชิงปฏิบัตินะครับรายงานนี้ยังเน้นนะครับว่าการปรับเปลี่ยนสูตรของผลิตภัณฑ์อาหารจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีในัยยะสำคัญโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเลยนะครับด้วยมิสเตอร์แมตชิลโคเวกนะครับผู้อำนวยการบริหารองค์การอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชียหรือว่า FIA กล่าวนะครับว่าบริษัทผู้ผลิตอาหารของคนไทยให้การสนับสนุนวาระสุขภาพแห่งชาติด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตอาหารมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับรอยละแปด 78ของบริษัทที่ทำการสำรวจระบุนะครับว่าได้เพิ่มการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพของสารอาหารในขณะที่ร้อยละห้าได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อภูมิทัศน์ด้านอาหารของประเทศไทยอีกด้วยนะครับโดยความพยายามของผู้ผลิตอาหารของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นนั้นสอดคล้องกับการรับรู้และการยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารของผู้บริโภคนะครับเนื่องจากแปดในสิบของผู้บริโภคที่เข้าร่วมการสำรวจเห็นด้วยนะครับว่าผู้ผลิตอาหารควรดำเนินการในเชิงรุก ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับผู้บริโภคอย่างคงไม่พร้อมที่จะยอมแลกระหว่างรสชาติกับคุณประโยชน์ต่อสุขภาพโดยร้อยละ82ของผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจระบุนะครับว่าพร้อมยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสูตรหากบริษัทผู้ผลิตอาหารสามารถรักษารสชาติที่มีอยู่เอาไว้ได้นะครับ จากอุปสงค์ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับบริษัทที่ลงทุนในการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีโดยรายงานยังระบุ ด, ด้วยครับคุณผู้ฟังว่าการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยจะสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้นหากรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมผู้ผลิตอาหารราวร้อยละแปดสิบสองกล่าวนะครับว่าแรงจูงใจในเชิงผลประโยชน์จากภาษีของรัฐบาลคือคกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการวิจัยและการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะ มิสเตอร์โคเฮกยังกล่าวเสริมนะครับว่าการที่องค์างการองค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชียจะผลักดันการดำเนิน ง, งานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเลยนะครับซึ่งความร่วมมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้เกิด การวิจัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการแปลงสูตรอาหารที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับด้านมิซซาร่าบาร์เรส์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวิจัยตลาดไอจีดีกล่าวนะครับว่าบริษัท ไอจีดีเองได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของสาธารณชนได้ในวงกว้างอย่างเหมาะสมนะครับด้วยการใช้ผลวิจัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีของไอจีดีผลการศึกษาล่าสุดที่บริษัทร่วมมือกับองค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชียจะทำขึ้นเน้นให้เห็นว่าคนไทยใส่ใจสุขภาพและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารนะครับโดยบริษัทมั่นใจว่านี่คือโอกาสสำคัญในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและรับมือกับความท้าทายที่สำคัญที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกำลังพเผชิญอยู่นะครับโดยงานวิจัยในครั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกนะครับที่จะทำให้รู้ว่าอุตสาหกรรมและรัฐบาลจะสามารถทำงานร่วมกันในลักษณะใดเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายโดยบริษัทหวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือกันที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ในผู้บริโภคนะครับคุณผู้ฟังครับผลสำรวจที่น่าสนใจจากรายงานฉบับดังกล่าวนี้นั่นก็คือผู้บริโภคให้ความสนใจอ ย, อย่าง มากกับคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์นะครับโดยลอยละ94ผู้ที่เข้าร่วมในการสำรวจระบุนะครับว่าเมื่อต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มซึ่งสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญนั่นก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดวยรับ80บอกนะครับว่ารสชาติของอาหารสำคัญอย่างมากนอกจากนี้ยังพบนะครับว่าลอยละ83ของผู้เข้าร่วมการสำรวจยังระบุด้วยนะครับว่าฉลากผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบและสารอาหาร คือหนึ่งในสามปัจจัยหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เลยนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงสูตรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีเนลโนมต่างไปจากเดิมนั่นก็คือแต่เดิมอุตสาหกรรมอาจจะให้ความสำคัญในการจำกัดไขมันทาร์นและการลดแคลอรี่แต่ปัจจุบันกลับให้ความสำคัญกับการลดปริมาณเกลือและคอเลสเตอรอล น, นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงการยกเลิกการใช้สีกลิ่นสังเคราะห์และสารกันบูดตลอดจนการเพิ่มไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุจำเป็นลงไปในสารอาหารและเครื่องดื่มนะครับรวมถึงการรักษารสชาติให้มีความ ความท้าทายระดับต้นๆในการเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์อาหารแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งรสชาติของผลิตภัณฑ์และต้นทุนก็เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการและนอกจากนี้การยอมรับของผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารเช่นกันนะครับขอบคุณที่มาของบทความนี้ด้วยจากบอลวินบอยประเทศไทยนะครับกับข้อมูลนะครับของคนไทยนะฮะงานวิจัยต่างๆที่เขาวิเคราะห์ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการปรับ พ่อชนาการให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับทั้งผลที่ออกมาหลายๆคุณฟังสามารถไปติดตามหาข่าวสารนี้อ่านได้นะครับถือว่าเป็นข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อวงการอาหารไทยอีกหนึ่งข่าวสารนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของขวีข้างครัวครับวันนี้ขวีข้างครัวผมมีเรื่องราวของพริกครับคุณผู้ฟังนอกจากจะเผ็ดสะใจแล้วนะครับพริกยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับส่วนจะดียังไงนะฮะมาติดตามได้ในช่วงนี้ครับ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 ファンシンチャウジョンファンルーンテッドワンランプロチャンス แค้งของฉันจะไม่มีพูดใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิที่รักขอเธอนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉัน กับฉันจะไม่มีผู้ได้ที่ทำร้ายเธอได้หลับตาสทิที่รักขอเธอนอนหลับฝันเพื่อปรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉัน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 ไวเบ็บฟอเอสเอฟดอทอาร์เอ็มยูทีทดอทเอซีดอททีเอสฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวกลับมากับช่วงนี้ครับกับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับคุณฟังคุณฟังครับอย่างที่ได้เกิดไปในตอนต้นของรายการนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพลิกนะครับ คุณฟังหลายท่านอาจจะชอบการรับประทานพริกหรืออาหารที่มีรสชาติจัดจ้านเผ็ดเป็นพิเศษนะครับแต่หลายคนก็ไม่ชอบรสชาติ ของพริกหรือว่ารสชาติความเผ็ดเหล่านี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าอาหารรสจัดนะครับถือเป็นที่นิยมของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับยิ่งเผ็ดถึงจะยิ่งอร่อยนะครับพริกจึงกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าไม่มีพริกก็คงจะปรุงอาหารให้จัดจ้านถึงใจไม่ได้แน่ๆนะครับแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมนะครับว่าพริกไม่ได้มีแค่ความแซ่บนะครับแต่ยังดีต่อสุขภาพของคนเราอีกด้วยนะครับ โดวยพริกนะครับถูกค้นพบครั้งแรกที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้ตั้งแต่เมื่อเราว 7,000 ปีก่อนนะครับโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับหลังจากนั้นได้การได้นำพริกเนี่ยมาปลูกและเผอยแพร่ไปทั่วยุโรปนะครับก่อนจะแผ่ขยายไปทั่วโลกซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็รู้จัก และคุ้นเคยกับการปลูกพริกมานานแล้วเหมือนกันโดยสายพันธุพริกในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด831สายพันธุครับและสามารถแบ่งออกให้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะครับโดยคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของพริกก็ไม่พ้นเรื่องของความเผ็ดครับคุณผู้ฟังเนื่องจากในพริกนี้มีสารแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่ให้ความเผ็ดร้อนโดยสารเชนิดนี้จะกระจายอยู่ในทุกส่วนของพริกซึ่งส่วนที่เผ็ดที่สุดนั่นก็คือ รกหรือไส้ของพริกนะครับในขณะที่เปลือกและเมล็ดที่คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นส่วนที่เผ็ดที่สุดกับมิสารนี้อยู่น้อยกว่ามากมากเลยนะครับโดวยสารแคบไซซินนี้นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วนะครับผู้นู้นฟังยังมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่สามารถทนความร้อนได้ดีทำให้ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการการทำให้สุกหรือตากจนแห้งก็ยังคงความเผ็ดร้อนไว้ได้แบบเช่นเดิมนะครับโดยการวัดค่าความเผ็ดของพริกนะครับซึ่งการวัดค่าความเผ็ดของพริกนี้หน่วยก็คือ สโคไวท์นะครับแต่โดยพิษขี้หนูของคนไทยจะมีค่าอยู่ที่ 50,000-100,000 สโคไวท์ 1, นะครับในขณะที่พิษที่ได้รับการาบันทึกลงในกินเน็ตบุ๊กว่าเป็นพิษที่เผ็ดที่สุดในโลกก็คือพิษฮาบานิโร่นะครับซึ่งวัดค่าความเผ็ดได้ถึง 350,000 สโคไวท์หรือมากกว่านั้นเลยครับคุณฟัง คุณผู้ฟังครับนอกจากพริกจะเผ็ดแล้วนะครับพริกยังมีข้อดีที่แซบซีตต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับโดวยเราจะมาเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับข้อแรกนั่นก็คือพริกอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่นวิตามินเอวิตามินบีหกวิตามินซีแมกนีเซียมโพแทเสเซียม ธาตุเหล็กและใยอาหารนะครับและคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าพริกหนึ่งร้อยกรัมจะมีวิตามินซีสูงถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะครับจึงเรียกได้ว่าพริกถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งวิตามินชั้นดีเลยนะครับข้อที่สองนะครับพริก สามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้นะครับมีการสกัดเอาสารแคปไซซินในพริกนะครับให้อยู่ในรูปของครีมขี้ผึ้งหรือว่าเจลใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังอย่างเช่นไฟไหม้นำร้อนลวกปวดเมื่อยตามตัวงูสวัสดนะครับด้วยสารแคปไซซินนี้ จะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดฟินสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ตามธรรมชาตินะครับและข้อที่สามนะครับพลิกมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจึงสามารถช่วยชะลอริ้วรอยก่อนไวัยได้ข้อที่สี่พลิกช่วยกระตุ้น ให้สมองเนี่ยสามารถหลั่งสารเอนโดฟินออกมาด้วยสารแคบไซซินในพริกจะสามารถช่วยให้อารมณ์ดีนะฮะรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับข้อห้าวิตามินซีในพริกจะช่วยเสริมสร้างคอร์ติซอลในร่างกายได้นะครับข้อหกในพริกอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีรวมถึงเบตาคอรา์ติณนะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสปรรพคุณในการบำรุงและป้องกันความเสรื่อมของจอประสาทได้อีกด้วยนะครับข้อที่เจ็ดพริกสามารถช่วยลด stress ที่มากรีดขวางระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากการเป็นไข้หวัดไซนัสหรือเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆได้นะครับข้อที่แปดพริกสามารถช่วยรักษาโรคลักกระปิดลักกระเปิดหรือโรคเลือดตามไรฝันได้ด้วยข้อที่เก้า พริกจะช่วยเสริมสร้างผู้มต้านทานให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงได้ยิ่งขึ้นนะครับและข้อที่สิบพริกจะช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นซึ่งเมื่อเราทานพริกหรือว่ากินพริกเข้าไปเนี่ยจะมีน้ำมูกไหลออกมานั่นเพราะว่ารสเผ็ดของพริกนะครับและสารก่อความร้อนในพริกจะช่วยลดปริมาณน้ำมูกและสิ่งกีดขวางในระบบทางเดินหายใจทำให้เวลาเราทานพริกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจมูกของเราโล่งลดอาการคัดจมูกทำให้เราหายใจสะดวกยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังและข้อที่สิบเอ็ดพริกสามารถบรรเทาอาการไอ สามารถละลายเสมหะและสามารถช่วยขับเสมหะได้นะครับข้อที่สิบสองวิตามินซีในพริกมีฤทธิ์ยับยัง้งการสร้างในโตซาเมน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดิน อ, อาหารและช่วยสร้างคอร์เจนและยังมีสารเบตาา้าคาร์โบไฮเดรตในพริกนะครับที่สามารถต้านอนุมูลอิสระและสามารถลดอัตราการกลายพันธุ์ของเซลล์ช่วยทำให้เซลเล์มะเร็งเนี่ยตายได้นะครับและข้อที่สิบสามควบคุมคอเลสเตอ ร, ตรอลชนิดไม่ดีหรือว่า LDL ให้คงที่และเพิ่มปริมาณคอเลสเตอ ร, ตรอลชนิดดีหรือ HDL ให้มีปริมาณของไตรกลีเซอไรในกระแสะเลือดลดลงนะครับข้อที่สิบสี่ สามารถลดน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะว่าพริกนี้สามารถช่วยยับยั้งการดูดซึมของน้ำตาลกรูโคตได้ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้ครับคุณผู้ฟังและข้อที่สิบห้าพริกช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเพราะว่าพริกจะช่วยลดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดช่วยได้ลายริมเลือดทำให้เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุด ต, ตันหลอดเลือดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับข้อที่สิบหกพริกจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้และข้อที่สิบเจ็ดสารแคปไซ ซีนในพริกนะครับจะช่วยยับยั้งการหดตัวของหลอดเลือดได้นะครับทำให้หลอดเลือดขยายตัวและส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยเบต้าคอร์ติซอลและวิตามินซีจะช่วยเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือดช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นและลดอาการหลอดเลือดอุดตันและอาการเส้นเลือดตีบตันได้นะครับ ข้อที่สิบแปดพริกสามารถใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังได้อย่างเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกงูสวัสดนะครับโดยในด้านการแพทย์นะครับก็มีการสกัดเอาสารแคปไซซินในพริกออกมาในรูปแบบครีมหรือว่าเจลเพื่อใช้ทาผิวหนังได้นะครับและข้อสิบเก้าพริกสามารถป้องกันโรคโลหิตจางนะครับเพราะว่าในพริกมีธาตุเหล็กอยู่ไม่น้อยเลยนะครับอีกทั้งในพริกยังมีทองแดงที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมธาตุเหล็กได้เป็นอย่างดีรวมถึงในพริกเองก็มีกรดโฟลิกที่จะช่วยเสริมให เซลเม็ดเลือดแดงแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับและข้อที่ยี่สิบนะครับช่วยให้เจริญอาหารเพราะว่าพริกเนี่ยจะกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายและกระตุ้นปลายประสาทให้สมองส่วนกลางเนี่อรับรู้ความอยากอาหารและอีกข้อหนึ่งนะครับพริกจะช่วยลดน้ำหนักสารชิโมจอนิกซึ่งเป็นสารก่อความร้อนในร่างกายที่มีอยู่ในพริกช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีนะครับนอกจากนี้กรดเฮโคลบิกนี้ยังช่วยเลี้ยงให้สารเลี้ยงให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้ จึงทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วยิ่งขึ้นครับและหากเราเผอรับประทานพริกมากเกินไปหรือว่ารับประทานอาหารรสเผ็ดเข้าไปนะครับหากเราจะต้องการลดความเผ็ดร้อนของพริกที่กินเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังเราก็ควรเลือกกินอาหารที่มีไขมันหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เพราะการดื่มน้ำ เข้าไปนั้นนะครับจะช่วยเพียงบรรเทาอาการแสบร้อนในให้ลดลงแต่ความเผ็ดก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปทั้งยี่สิบเอ็ดข้อนะครับว่าพริกนอกจากจะมีความเผ็ดร้อนแล้วยี่สิบเอ็ดข้อที่เป็นประโยชน์ของพริกนะครับก็มีอยู่มากมายใครที่รับประทานอาหารรสชาติค่อนข้างจืดนะครับก็ลองมาหันมารับประทานพริกบ้างเผื่ อ, อความเผ็ดร้อนของพริกนี้จะช่วย ให้ประโยชน์ต่างๆกับร่างกายของเราได้นะครับแต่ระวังนะครับการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนอาจจะมีอีกหลายๆอาการตามมาทั้งแสบอกหรือว่าเป็นกดไรย้อนอะไรต่างๆตามมาก็ควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนการรับประทานพริกมากๆนะครับ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 It's a day for a rock the rhythm tone, chai thúc con leek lay. It's a day for a kid, do rhy mày, cray long crop to a egg. ตัวฝนทำเธอเปลี่ยกป้อนไปหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชำอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอยากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นชำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู่กับผล ฟ้าใสยามผลสาเพียกป่อนกันมากลับแห้งไปความรับนั้นต้องมั่นใจฝากใจให้รักชัดนำ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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับเมนูนักคิดนะครับวันนี้เมนูนักคิดนำเรื่องราวของใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์มาฝากคุณฟังนะครับคุณฟังหลายท่านไม่รู้นะครับว่าใยอาหารนั้นคืออะไรนะฮะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าใยอาหารคือส่วนของพืชผักผลไม้หรือว่าเมล็ดถั่นยับพืชนะครับที่มนุษย์ได้รับประทานเข้าไปแต่จะไม่ถูกย่อยโดยน้ำย่อยของคนนะครับจึงไม่ให้พลังงานแต่อาจจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์บางชนิดในระบบทางเดินอาหารของคนนะครับโดยใยอาหารสามารถจำแนกออกได้ตามความ สามารถในการละลายน้ำนั่นก็คือใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำนะครับนั่นก็หมายถึงเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำครับพูนฟังแต่ว่าจะพองตัวได้ในน้ำเหมือนฟองน้ำไม่มีความหนืดทำให้ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในกระเพาะอาหารนะครับรวมถึงช่วยเพิ่มกา ก, ากอาหารและช่วยทำความสะอาดทางเดิอนอาหารนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจึงรู้สึกว่าอิ่มโดยเส้นใยนี้แบคที ria ในลำไส้จะไม่สามารถย่อยได้นะครับจึงช่วยเพิ่มเนื้ออุจจาระลดปัญหาอาการท้องผูก และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยนะครับมาต่อกันที่ใยอาหารชนิดละลายน้ำครับคุณผู้ฟังโดยใยอาหารชนิดละลายน้ำนี้หมายถึงเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะครับแล้วดูดซับน้ำไว้กับตัวนะครับโดวยใยอาหารชนิดนี้เมื่อละลายน้ำจึงมีความเนหนียวเหนือเพิ่มขึ้นมีลักษณะเป็นเจลนะครับโดยสามารถจับน้ำตาลและดูดซับ น้ำมันได้ซึ่งใยอาหารชนิดนี้ร่างกายของคนเราจะย่อยเองไม่ได้นะครับแต่แบคที ria ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่จะสามารถย่อยได้นะครับโดยใยอาหารแต่ละชนิดจะมีความสามารถมากน้อยแตกต่างกันในด้านของการละลายน้ำความเหนืด ความสามารถในการจับน้ำไว้นะครับซึ่งความสามารถในการจับแรกฮาดแล้วสารละละอีกซีต่างๆごชิ่นเดี๋ยวกันนะครับโดวยประหยะของใหญ่อาหารมีมากับไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับ mañana ครับ ятся โดยใหญ่อาหารจะ資助 Jam Student Service ยควบคังได้ควยลดการดดซมกัน initiative việc มรี rese สงทย์จากทาง szychئ าแนว ผลดีต่อผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับประโยชน์ข้อที่สองก็คือช่วยลดระดับไขมันในเลือดช่วยจับไขมันในอาหารนะครับรวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะครับรวมถึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยลดการดูดซึมของไขมัน ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของกระเพาะและลำไส้นะครับส่งเสริมการดูดซึมน้ำและโซเดียมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นที่มีอาการท้องเสียนะครับช่วยกระตุ้นการเจริญเตบิบโตของเนื้อเยื่อผิวหนังของไอเลียมและลำไส้ใหญ่นะครับช่วยป้องกันการรักษาอาการท้องผูกและก็ท้องเสียด้วยนะครับ และใยอาหารนะครับยังช่วยในการขับถ่ายของลำไส้ใหญ่ด้วยนะครับช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยป้องกันการดูดซึมของสารก่อมะเร็งเพราะใยอาหารจะช่วยทำให้ขับถ่ายออกมาได้เร็วและลดการสัมผัสต่อผนังลำไส้ได้นะครับและใยอาหารยังสามารถช่วยในการ、AH、ลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้นะครับเนื่องจากทำให้ปริมาณของอาหารมีมากขึ้นมีการดูดซึมน้ำเข้าไปมากในระบบทางเดินอาหารทำให้รู้สึกอิ่มเร็วการบริโภคอาหารก็จะลดลงน้อยต่ำไปด้วยนะครับ ส่วนใยอาหารเรารับประทานเท่าไหร่ถึงจะดีต่อร่างกายของคนเรานะครับคุณฟังนอกจากใยอาหารที่มากับผักผลไม้ที่หลายคนพยายามรับประทานให้มากยิ่งขึ้นจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงของท้องผูกได้แล้วนะครับอยัางช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆตั้งแต่โรคมะเร็งลำไส้โรคเบาหวานประเภทที่สองไปจนถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อีกด้วยนะครับดังนั้นใยอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายแต่คำถามนั่นก็คือ เรารับประทานอาหารที่มีใยอาหารมากพอหรื อ, อยังนะครับคุณผู้ฟังโดยกระทรวงเกษตรศของสหรัฐอเมริกาแนะนำนะครับว่าเราควรรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารราวๆยี่สิบห้ากรัมสำหรับผู้หญิงและสามสิบแปดกรัมสำหรับผู้ชายส่วนผู้สูงอายุมากกว่าห้าสิบปีขึ้นไปก็ควรรับประทานอาหารที่มีใยอาหารยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบกรัมนะครับแล้วเราจะทราบ ป, ปริมาณของใยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้อย่างไรนะครับโดยเราจะทราบจากการดูตารางผู้ชนะการบุญฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับโดยพยายามเลือกอาหารที่มีใย อาหารมากกว่าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ใกลเคียงกันและขอให้สบายใจได้ว่าใยอาหารยิ่งเรารับประทานมากยิ่งดีนะครับยกเว้นกรณีของผู้สูงอายุที่อาจไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะครับหลายท่านบอกว่าใยอาหารรับประทานได้จากผักผลไม้เท่านั้นหรือนะครับ วันนี้เราก็มีวิธีการเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารของแต่ละวันมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดวยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารที่เต็มไปด้วยใยอาหารอย่างเช่นซีเรียลที่ใส่ไปในผลไม้สดนะครับใส่ผักและถั่วลงไปในซุปหรือว่าแกงที่กินใส่ถั่วและธัญพืชต่างๆลงไปในโยเกิร์ตรวมถึงกินผักผลไม้แทนขนมหรืออาหารว่างอย่างเช่นแครอทบล็อกโคลี่กลั่มดอกก็ได้นะครับเลือกลับประทานผักสดมากกว่าอาหารแปลรูปนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารที่มีใยอาหารมากนักก็แนะ แนะนำให้ค่อยๆเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารทีละเล็กละน้อยนะครับด้วยอย่าโหมกินทีเดียวเยอะๆและอย่าลืมดื่มน้ำตามให้มากๆนะครับและหากมีปัญหากับระบบขับถ่ายเป็นเวลานานก็ควรพบแพทย์เพื่อรักษาอาการที่ถูกต้องนะครับแล้วผักแต่ละชนิดมีไฟเบอร์หรือใยอาหารเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหนึ่งวันเนี่ยเราควรรับประทานผักให้ได้400กรัมต่อวันเลยนะครับ แต่ว่าถ้านับปริมาณอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายจะได้รับใยอาหารพอดีต่อความต้องการเพราะผักแต่ละชนิดมีปริมาณสารอาหารและใยอาหารที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นถ้าเรารับประทานผักตามด้วยไฟเบอร์ดีหรือไม่นะครับด้วยกลุ่มวีหนึ่งนั่นก็คือมีใยอาหารน้อยให้ใยอาหารประมาณ 0.5 ถึง1กรัมต่อทัพพีซึ่งจะเป็นผักที่มีความนิ่มหรือกรุบกรอบและมีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากอย่างเช่นผักสลัดชนิดต่างๆผักกวางตุง้งผักตำลึง คณะกระหล่ำปีผักหวานแตงกวาและผักจำพวกบวบนะครับประเภทวีสองนะครับนั่นก็คือกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารปานกลางให้ใยอาหารประมาณสองกรัมต่อหนึ่งทับพพีซึ่งจะเป็นผักที่มีเนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็งอย่างเช่นมะเขือเปราะกุยช่ายยอดสะเดาวใบยอใบขี้เหล็กมะระและก็หัวปลีนะครับกลุ่มวีสามนั่นก็คือ กลุ่มอาหารที่มีใยอาหารสูงนะครับนั่นก็คือให้ใยอาหารประมาณสามกรัมต่อหนึ่งทัพพีเป็นผักที่มีความเหนืดเคี้ยวยากอย่างเช่นแครอทผักกูดดอกแคข่าหนุนอ่อนหน่อไม้ปลายอดฟักข้าวมะเมล็ดกะทิรวมถึงเห็ดหูหนูด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่สี่นะฮะมีใยอาหารค่อนข้างสูงมากก็คือให้อาหารให้ใยอาหารประมาณสี่กรัมต่อหนึ่งทัพพีก็จะเป็นผักเนื้อแข็งและเหนียวเคี้ยวยากอย่างเช่นมะเขือพวง ผักสะเดาถัว่วและธั ญ, ญพืชนะครับสี่กลุ่มนี้นั่นก็คือการแบ่งกลุ่มของใ ย, ยอาหารแต่ละชนิดนะครับเราก็เลือกรับประทานนะครับว่าผักชนิดไหนอยู่กลุ่มไหนอยากได้ใยอายหารประมาณเท่าไหร่ก็ลองเลือกรับประทานหรือลองคำนวณดูกันนะครับคุณผู้ฟังซึ่งการรับประทานใ ย, ยอาหาร ไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะครับมีโทษหรือมีผลเสียด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังแม้ว่าใยอาหารจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามากมายนะครับเส้นใยอาหารการรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นใยอาหารจะไปลดการดูดซึมของสารอาหารบางชนิดอย่างเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีเหล่านี้ใยอาหารอาจจะเข้าไปลดปริมาณ การดูดซึมนะครับรวมถึงใยอาหารเนี่ยจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารได้อย่างเช่นรู้สึกอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้นะครับรวมถึงลำไส้เคลื่อนไหวเร็วกว่าปกติทำให้เราปวดท้องได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการให้อ า, อาหารทางสายยางใยอาหารที่หยาบอาจจะทำให้เกิดการอุดตันในสายยางได้เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือเรื่องราวของใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ที่นำมาบอกกล่าวบอกเล่ารวมถึงมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงของเมนูนักคิดในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยนะครับจากเมทไทยคอมกับเรื่องราวของใยอาหารมีประโยชน์ กินเท่าไหร่ถึงดีต่อร่างกายที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของช่วงเมนูนักคิดแล้วนะครับช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคุยข้างครัวกับอาจารย์นัทชรัตเพะกุลนะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวอะไรมาฝากเรานั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับอาจารย์นัทชรัตเพะกุลครับ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 A n g e l l เจนิวอรี่ช่วงคุยข้างครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะัชรัฐแพร์กุลในช่วงคุยข้างครัวนะครับคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินการเตือนไหมครับว่าอย่าไปจ้องแสงในไมโครเวฟนะฮะขณะที่กำลังอุ่นอาหารเพราะแสงไมโครเวฟนั้นสามารถที่จะทำลายสายตาของเราได้นะฮะหรือบางบ้านนะฮะอาจจะขั้นถึง ออกเดินใกล้ๆจากไมโครเวฟเนี่ยค่ะที่กำลังอุ่นอาหารอยู่นะฮะเพราะกลัวว่าคลื่นไมโครเวฟนั้นอาจจะทำอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะฮะความเชื่อเหล่านี้คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงนะฮะหรือเป็นแค่เรื่องเล่าน ะ, ะวันนี้นะผมได้หาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ว่าคลื่นไมโครเวฟนั้นอันตรายต่อสุขภาพ ได้หรือไม่นะคืน microwave ก็คือคืนแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเหมือนกับคลื่นวิธิยุคลื่นทีวีหรือคลื่นอินฟัลเร็ดด้วยทั่วไปนะแสงอันตราเวอร์เร็ดและอีก หลายๆคลื่นนั่นแหละรครับหลักการทำงานของมันก็คือคลื่นไมโครเวฟจะพุ่งเข้าไปสู่กระทบของเซลล์อาหารถ่ายทอดพลังงานให้เกิดโมเลกุลของน้ำในเซลล์อาหารทั้งนอกและภายในนะจนเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเกิดความร้อนทำให้อาหารสุก ข, ขึ้นมานะฮะโดยส่วนตัวของคลื่นไมโครเวฟนั่นเองนะฮะหลังจาก หม้อพลังงานให้แก่อาหารแล้วยังจะสลายตัวไปจนหมดไม่เหลือค้างอยู่ในอาหารอีกเลยนะจึงไม่ทำให้อาหารและคนรับประทานอย่างเราๆนั้นได้รับอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟแต่อย่างใดนะครับ สำหรับแสงสีส้มๆในเตาไมโครเวฟนะที่บอกว่าเป็นอันตรายนั้นจริงหรือไม่นะจริงๆแล้วไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะพเพราะคลื่นไมโครเวฟจะไม่สามารถทะลุผ่านฝาตู้ออกมาภายนอกได้เลยนะเพราะมีแรง ทะลุทะลวงต่ำกว่าแสงอินฟราเรดนะฮะหรือแสงธรรมดาโดยทั่วทั่วไปนะรวมไปถึงแสงอันตราวเวลเลสเอลังสีเอ็กซ์หรือเลงสีแกมมาอีกด้วยนะนอกจากนี้นะแสงสีส้มๆที่เราเห็นนั้นไม่ใช่คลื่นไมโครเวฟแต่อย่างใดนะแต่เป็นแค่ดวงไฟที่เขาติดตั้งไว้ในเครื่องไมโครเวฟเพื่อให้เรานั้นสามารถมองเห็นอาหารขนาดที่อยู่ในเตาไมโครเวฟได้ขณะกำลังทำงานนั่นเองนะดังนั้นนะฮะการจ้องมองอาหาร ในเตาไมโครเวฟนั้นจึงไม่เป็นอันตรายไปกว่าการจ้องมองดวงไฟธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับการรับประทานอาหารที่ผ่านคลื่นไมโครเวฟบ่อยๆนั้นสามารถที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หรือไม่นะฮะคำตอบก็คือคลื่นไมโครเวฟนั้นจะพุ่งผ่านเข้าไปตัวของ อาหารนั่นเองนะเพื่อที่จะเกิดการสั่นสะเทือนของเซลล์โมเลกุลของน้ำที่อยู่ในอาหารจนเกิดความร้อนทำให้อาหารสุกแต่ตัวของคลื่นไมโครเวฟเองนะฮะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดพลังงานให้กับอาหารแล้วตัวมันจึงจะสลายตามการเวลาของอาหารไปด้วยนะ <c oughs> เมื่อเหลือทิ้งไว้ในอาหารนั้นภาชนะหรือสิ่งอื่นใดๆดังนั้นการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรืออุ่นจากไมโครเวฟบ่อยๆจึงไม่ สามารถที่จะทำร้ายร่างกายหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใดนั่นเองนะครับสำหรับอันตรายที่มากับไมโครเวฟนะแม้ว่าไมโครเวฟนะจะปลอดภัยในการใช้งานอย่างมากแต่จะเป็นอันตรายกับเราทันทีถ้าเตาไมโครเวฟนั้นอยู่ในสภาพชำรุดเช่นฝาตู้ปิดไม่สนิทมีอรอยอรั่วเพราะอาจจะทำให้คลื่นไมโครเวฟนั้นไหลรั่วออกมาจากภายนอกได้นอกจากนี้นะหากปล่อยให้ไมโครเวฟสปกปรกจากการอุ่นอาหารเป็นเวลานานๆ น, น, นะ ไม่ยอมทำความสะอาดความเค็มของอาหารจะทำให้เตาไมโครเวฟนั้นเกิดคราบเกิดสนิมอาจเกิดรอยทะลุและคลื่นไมโครเวฟก็จะรั่วออกมาข้างนอกได้นั่นเองนะสำหรับการใช้เตาไมโครเวฟที่ถูกต้องนะหนึ่งนะควรเลือกภาชนะที่ปลอดภัยกับการใช้เตาไมโครเวฟเช่น จานชามกระเบื้องภาชนะทนไฟพลาสติกทนความร้อนหรือภาชนะที่ทำจากไม้หรือกระดาษข้อควรสังเกตอีกจุดหนึ่งคือควรเลือกภาชนะที่ฉลักบอกไว้ว่าสามารถใช่ร่วมกับไมโครเวฟได้นั่นเองนะและสองนะฮะห้ามใช้ภาชนะจานชามที่ทำจากโลหะหรือมีส่วนผสมของโลหะภาพชนะกระเบื้องที่มีขอบเงินหรือขอบทองรวมไปถึงฟอยห่ออาหารสีเงิน กับเต่าไมโครเวฟเป็นอันขาดเพราะคลื่นไมโครเวฟนั้นจะไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้อาจเกิดการสะท้อนกลับของคลื่นทำให้สปากรายเป็นปากกายไฟเล็ ก, เลกในเต่าไมโครเวฟได้หรืออาจทำให้เต่าไมโครเวฟนั้นสามารถเกิดประกายหรือเกิดไฟไหม้ในเต่าได้นั่นเองนะครับและข้อสามนะมันทำความสะอาดไมโครเวฟหลังใช้งานอยู่เสมออย่าให้คราบอาหารหรือคราบน้ำมันเกาะติดไมโครเวฟเป็นเวลานานา น, า น, นะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ ผู้ฝังนั่นเองเนี่ยและเพื่อยืดอายุการใช้งานของเตาไมโครเวฟอีกด้วยนะครับสำหรับอาหารที่มีไขมันผิวมันนะฮะเปลือกแข็งหรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบในสัดที่ปิดไม่มีโรูระบายเช่นไข่แดงหรือกองอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งควรเอาซ่อมจิ้มเพื่อเจาะรูระบายอากาศหรือ เปิดฝากแง้มเอาไว้ด้วยนะเพราะความร้อนจะทำให้อากาศภายในนั้นขยายตัวหรือดันตัวออกมาหากไม่มีโรูระบายอากาศนะฮะอาจทำให้เกิดอาการระเบิดหรือเสียงดังได้ทำให้ไมโครเวฟนั้นเสียหายได้นั่นเองนะครับและข้อถัดไปนะควรเลือกใช้ไมโครเวฟเฉพาะอย่างพูดที่มีการ ผลิตที่น่าเชื่อถือมีตราสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยมีประการและควรอ่านคู่มือที่แนบมากับเตาไมโครเวฟทุกครั้งก่อนใช้งานแนะครับเพื่อป้องกันอันตรายหรือดูข้อเสนอแนะข้อชี้แนะหรือข้อป้องกันในระหว่างอันตรายในการใช้ไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภัตราแสงรุจินะฮะภาควิชาวรังสีวิทยามหาวิทยาลัยไมฮิโดนนะครับแล้วเราพักเบรกกันสักครู่กลับมาช่วงสุดท้ายช่วงเปิดมอสครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็ม 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี ปริ้นติ้งแอนด์แพ็กเกจจิ้งยังดีไซเนอร์ตุเตลซิน19สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารหมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีขอชวนน้องนักเรียนมเทัธยมศึกษาตอนปลายหรือประวชอเข้าร่วมการประกวดออกแบบหลายกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อนชิงเงินรางวัลรวมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมใบประกาศนียบัตรกติ ก, กาง่าย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 หรือเวอร์ไวเบ็ปดอทฟไอเอสเอดอทอาร์เอ็มยูทีทดอทเอซีดอททีเอสฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเปิดหม้อกลับในช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงเปิดหม้อนะฮะเอาใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานกุ้งนะฮะกับเมนูที่ชื่อว่ากุ้งคั่วพริก เกลือนะครับก็มีส่วนประกอบดังนี้นะครับมีกุ้งนะฮะมีแป้งทอดกรอบประมาณสองช้อนโต๊ะนะฮะกระเทียมสับประมาณสามสิบกรัมพริกแดงจินดาสับประมาณสิบกรัมนะฮะเกลือป่อนประมาณครึ่งช้อนชานะฮะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาน ะ, ะต้นหอมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันสำปะหลอดนะครับวิธีการทำนะฮะก็นำกุ้งมาตัดหนวดพาหลังเอาเส้นดำออกให้ เรียบร้อยนะจากนั้นนะฮะเอากุ้งนะฮะคลุกแป้งที่เตรียมทอดน ะ, ะแล้วจากนั้นก็นำน้ำมันตั้งให้ร้อนน ะ, ะนำกุ้งลงทอดให้เหลืองกรอบน ะ, ะเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับจากนั้นนะฮะนำกระเทียมนะฮะขึ้นเจียวในกระทะพอเหลืองน ะ, ะเสร็จแล้วใส่พริกสับลงไปคั่วให้เข้ากันนะครับใส่กุ้งทอดลงไปนะฮะปรุงรส ด, ด้วยเกลือน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะฮะผัดให้เข้ากันด้วยไฟแรงนะครับตักใส่ภาชนะก่อนเสิร์ฟโรยด้วยต้นหอมรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะฮะหรืออาจจะมีการเติมในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดเล็กน้อยน ะ, นะก็จะทำให้ตัวของรสชาติของกุ้งนั้นรสชาติจัดจ้านขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับเมนูที่ชื่อว่ากุ้ง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 ยามฟ้าสีมนร่นเรางกับดนให้ตรมหรือไทยรู้เป็นเพียงอากาศแต่ไม่อาจห้าจันอยากมีเธอชิดใกล้แต่เธอของไม่ แต่ความคืนขมระทมเมื่อลมพายิวหาฟนมาแต่ใจไม่ยอดบอกเหตุพงใดๆปล่อยฉันไว้กลางฟน